เรื่องนิทานชาดกสำหรับเด็กโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยอะคาสะโมตอะระหะโตสัมาสัมพุทธสนาโมาาตสาอะคาวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธทาาาาสาส นิมิตังสาทุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมโมสกจังโสตโคตีขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุขทุ ป, ประการจังฟังเกิดมีแต่พระณะท่านโคบาอาจารย์ผู้ทรงคุณบุตร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 อในตอนแรกๆนี่หลวงอาจจะบอกอันหนึ่งให้ฟังจะให้พวกเธอนั่งคัตมาศเพื่อให้เกิดความสบายเอาเชิญนั่งคัตมาศ ถ, ถูกใจเหลือเกินนี่คือนั่งสมาธิและอยากคุยกันเราจะได้ฟังสิ่งที่มันจะมีประโยชน์วันนี้ครูบาอาจารย์พาพวกเธอทั้งหลายลงมาวัด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 แต่ถ้าเห็นแล้วจะเข็ดจะหลาบเมื่อตอนสองสามปีก่อนหลวงอาเดินทุดงไปจากบ้านพาพระเนรตั้งร้ายองค์เดินทางไปไปเรื่อยค่าที่ไห น, นก็นอนที่นั่นเช้ามาออกบินทบาทพอเสร็จแล้วฉันเสร็จก็พายบาตรพายก็เดินไปจนไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีวันนั้นหาหลวงอานอนหลับกังคืนฝันเห็นคนตาบอดมีลูกจูงมาหามาขอฟังเทศตื่นขึ้นมาก็แปลกใจว่าเอ๊ทำไมฝันอย่างนี้แล้วขอดีตอนเช้ามาชาวบ้านจำนวนมากมาทำบุญแล้วก็มาฟังเทศ กำลังที่จะ่าได้ฟังเทศนะฮะแต่ทุกคนไม่ค่อยจะได้เหมือนพวกเธอนี่แหละอาราดธนาอะไรก็ไม่ค่อยจะได้สักพักหนึ่งรลวงอาก็บอกว่าไม่ต้องอาราดธนาก็ได้แต่จะเทศให้ฟังขอขึ้นทํามากกําลังเกิเทศเห็นคนตาบอดลูกชายจูงมาลูกชายเท่ากับพวกเธอจะจูงมาผ้าผ่าบ่า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 พาพาราตนาเทศหลองอาก็แปลกแกไว้เท๊ะทำไมคนตาบอดเขาได้หมดแล้วคนตาดีทำไมจึงไม่ได้หลวงอาก็แสดงทำเรื่องบาปบุญคุณโทษให้ฟังฟังนาล บ, บางเ่องสวรรค์บ้างคนตาบอดแกก็ร้องไห้เอาแต่ร้องไห้เทศไปเถดไปแกล็ร้องไห้หลวงอคิดว่าเดี๋ยวเทศจบนี้จะถามจะถามดู ว่าตาบอดนี่ร้องไห้ทำไมเมื่อฟังเทศจึงร้องไห้พอเทศกำลังจะจบแกสะอื้นใหญ่เลยแกให้ลูกแกจูงออกไปก่อนชู้งออกไปเลยไม่ได้ถามเนี้หลวงอางก็เลยถามชาวบ้านว่านี่ทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคนตาบอดจังไดขวัญคนนี้ของพคนตาทีคือบ่ได เราเป็นอย่างเราจึงฮองกินให้งามเราฟังเทศชาวบ้านเขาบอกว่าเราบาปในเธอได้หลายฟังนิดเราบาปเราฟังเทศแล้วเราคิดหอดบาปเปล่าเราให้เราบวชเป็นพระแต่ก่อนตาดีๆเหมือนพวกเรานี่บวชเป็นพระร้ายพรรษาเป็นเจ้าอาวาสหลังยังนั้นก็เสึก อ, ออกไปไปแต่งงานกับลูกสาวชาวบ้านนั้นนะ แต่งานเสร็จแล้วจะก็ไปทำนานานั้นอยู่ในในป่าใหญ่แห่งหนึ่งคล้ายๆป่าตรงนี้เขาเรียกว่าดอนกานอนกามันมานอนเป็นฟุง้งเย็นๆมากามันนอนเป็นหมู่หมู่เพราะมันกลัวนกเขามันตีกันถ้ากลางคืนกาสู้นกเขาไม่ได้ถ้ากลางวันนกเขา สู่กาไม่ได้นเขาต้องไปหาสุกหัวนอน<ม>ในที่อมิชิตกลัว ก, กาเพราะมันมีบาปมีเวมกันที่นี้แต่คนนี้แกไปทำนาอยู่ข้างๆดอนนะพอถึงเวลาทำนากามันจะมาที่เถียงนาจะจะของไปไถนาจะมาหาเจาะกระติบข้าวหากินของกาในชาติขโมยแต่คนนี้แกก็โกรธมัน วันหนึ่งแกก็เอ็งเหวเสือมันเอ็งเหวเสือมันเทขามันมันไม่เป็นไรโกบ่วงพอดีเลยแกก็จับมาได้มึงมึงเนี่ยกินข้าวกูมึงกินปลากูมึงจะต้องตายแกมหมอหแล้วแกทำอะไรรู้ไหมแกก็เอาไม้หีบมาปิ้งมาปิ้งออกของมันยืดค อ, อมันออกปิ้ง้างมันมัดให้แน่น มันหดคอเข้ามาก็ไม่ได้มันเหวซ้ายแลขวาก็ไม่ได้แกมัดแน่นแล้วแกก็แกก็จับโยนมันก็บินบินเลี้ยวไม่ได้คอมันหดเลยบินต้งถึงบอกมาเพิ่งจะลวดเด้อเรล็กสะบัดมาดูจะลวดจะรวดกามันบินต้งขึ้นไปบินขึ้นไปบินขึ้นไปจนมันหมดแรงแล้วก็ตกลงมาตกลงมามันก็มันมันยังไม่ตายแต่มันสลบแต่เพราว่า จะรวดตกลงมาแล้วเลาบามาดูนีสมน้ำหน้ามึนมึนเลี้งินของกูมึือไว้แะด่ามันพอมันมีแรงหน่อยแกก็จับโยนมันก็ินงต้องกนมแล้วมันตกลงมาหลังจากนั้นมันก็สลบไปแกยังไม่สาใจเอาไม้หีบออกโอ้ขามันไว้พอมันฟื้นมันเต้นมันดิ้นมันคืนมาแล้วแ่ก็จับมาทีนี้แกทำยังไงก็ไหม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 หลังจากนั้นเมื่อดำนาเสร็จดำนาเสร็จขึ้นบ้านแล้วเอาไถเอาควายขึ้นมานแกเจ็บตาเตามากเลยข้างนแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนบาเขาใส่ ย, ยาให้ก็ไม่หายแล้วก็กลับมาบ้านร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดต่อมาถึงที่สุดตาเขก็แตกแตกดังปุ๊ตาแตกไว้ข้างนั่น หลังจากนั้นแกก็บอกว่าดีแล้วมันแตกไว้แล้วก็สบายหายเจ็บบอดไปข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งต่อมาเอ็กไม่กี่วันก็เริ่มเจ็บเอก็กเป็นตุ่มเป็นฝีในตาไปหาหมอเอกก็รักษาไม่หายต่อมาตาแกก็แตกเลยตาบอดทั้งสองข้างมีคนเคยทําบุญมาคนเคยเป็นพระเป็นเจ้ารู้จักแล้วแต่กลับไม่ทําตามบาปเลย ในที่สุดแกก็ตาบอดทั้งสองข้างไปไหนนี้มาไหนก็ให้แต่ลูกโง่ไปพอแกมาฟังเทศแกก็นึกถึงบาปถึงบนุนี้แกก็ร้องไห้อย่าไปมองดูเขาเขานั่งสงบนี่ที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่มายอะไรอยู่ข้างหน้าอย่าไปมองดูเขาสิเขานั่งสงบเราดือ้อทำไมเรายึกเฉยครูท่านสอนไม่ให้ดื้อย่าไปเที่ยวดูคนอื่นดูเราหนึ่งเขานั่งสงบ เราไม่สงบอย่างเป็นลิงเป็นข้างอยู่เดี๋ยวก็ได้บาปกันเหมือนแต่คนนั้นพรเห็นนั้นเมื่อแกสำนึกบาปแกก็เอาแต่ร้องไห้เราไม่น่าทําเลยนี่บาปมีคนมีเอ็นนี้จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าคนเรานี่จะมียี่ห้อเหมือนกับรถไม่รถของโค ร, รถมียี่ห้อมียี่ห้อมาสดาดัสซันนี่ันคนเรามียี่ห้อ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 เป็นใครก็ไม่ดีทั้งนั้นแม้แต่พ่อแม่ผู้มีผลคนเขาก็ยังไม่รู้จักคนค่าชายคนหนึ่งที่จังหวัดตรังปักใตยแกเป็นลูกโทนมีลูกคนเดียวพ่อแม่ครอบครัวนั้นเป็นลูกโทนมีสมบัติพ่อแม่ก็พออยู่พอกินต่อมาพ่อก็ตายแกก็อยู่กับแม่สองคนแม่ก็ส่งเรียนหนังสือ จบชั้นประถมก็เรียนต่อมัธยมจบมัธยมก็ไปต่อโรงเรียนอาวิทยาลัยชั้นสูงขึ้นแต่คือแล้วแกไม่ดีเลยแกเป็นคนไม่รู้จักบนญคุพ่อแม่ไม่อห็นคนเดียวรับเหมือนแก้วเหมือนแหวนแต่แกกลับมาบ้านเรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานแต่ว่าว่าทรัพย์สมบัติพ่อแม่ของเรามีเยอะใช้กินทั้งชากก็ไม่หมด ในที่สุดก็เริ่มรู้จักเพื่อนฝงหัดกินเหล้าส่บบันราหลังเย็นนก็เล่นการพนันเอาแหวนมากแกเล่นการพนันจนไม่มาบ้านมีเงินมีทองก็ค่อยหมดไปสิ้นไปเหลือแต่ตกน้อยๆ อ, อยู่กับแม่ <c oughs> แต่ว่าแกไม่คยสนใจแม่กเลยแกไปเล่นบางทีครึ่งเดือนจะกลับบ้าน แม่นั้นอยู่ที่บ้านเนี่ยทํากินเองแก่เข้ามามากๆบางทีก็กินกับชาวบ้านโยมาวันหนึ่งที่บ้านเนี่ยมันมีงานแต่ก็มาเล่นมีอะไรก็หมดแล้วก็มาเอาสิ่งของแม่แม่มีแหวนแม่มีสร้อยตั้งแต่ตอยู่กับพ่อมาแกไปรับไปรักของแม่เอามาขายมาเล่นแม่คิดมาก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 บางครั้งก็แจ้งบางครั้งก็เมื่อในที่สุดเมื่อบอเขา้านักแล้วทำกินเองก็ไม่ได้อาศัยชาวบ้านชาวบ้านใกล้ๆเขาก็เอามาให้กินส่วนลูกนั้นไม่สนใจอพภาษาบ้านเขาอบ่าหูวซาเลยแกก็เล่นของแกไปทีนีวันหนึ่งมีงานบ้านจุดใกล้ๆอยู่บ้านใกล้ๆโต๊นั้นแกไท้ได้ยินเสียง แกอยากจะกินข้าวแตกระสมซาลนไปขอข้าวคนกินงมไปบางใกล้ๆเขาก็ทําให้ชาวบ้านก็ไปบอกลูกว่าทำไมคุณปล่อยแม่คุณไว้อย่างนั้นเขาบองช่างแกเถอะแกอยู่ของแกมาได้มาตั้งนานนะแล้วลวันนั้นแม่ก็เป็นไข้หนักเสียงดนตีเสียงเครื่องขยายเสียงดังแกเป็นไข้โรคหัวใจด้วยโรคประสาทด้วยคิดถึงโลกแกก็ ง, งมไปไปในวงไฮโล ไปถามว่าลูกฉันอยู่นี่หรือเปล่าถามยาย้านาเห็นลูกฉันไหมเห็นลูกฉันไหมฉันกาลังเป็นไข้หาหาลูกลูกนั่งอยู่ในวงไฮพอแม่มาก็บอกนะันแม่แม่เธอมาแล้วแม่คุณมาแล้วแกคานออกไปเลยคานจะลงวงไนีไหมไไปรีบไปซุกอไม่อยากให้เห็นแกอายบอกว่าแม่นี้แล้วจะมาเล่นต่อชาว่างอ้อเนตอนาจใจ ทุกคนเห็นก็คนนึกสมเพสเวทนาแล้วแม่ก็พูดออกมาคำหนึงสาธุลูกข้าพเจ้าเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุมใหญ่เท่าเจล็ดจนโตช่างไม่รู้จักบนคนเลยชาวบางเขาบอกมันอยู่ตรงนี้มันคานไปนู่นมันหนิงไปแล้วแกบอกว่าสาธุขวานตาบอดเหมือนกับแม่ของมันถ้าพูดอย่างนี้แล้วแกก็งมสาวกลับไปที่บ้านชาวบ้านเห็นนี่เอือมละอา ต่อมาอีกไม่นานนะนายคนนี้ก็เป็นไข้ปวดหัวโอ้รู้จะปวดยังไงไปโรงพยาบาลเพื่อนเขาเอาอไปหมอเขาเจียวยารักษาปวดจนตาเมื่อดตาบอดเหมือนกันไอ้ทุกวันนี้ตาบอดเลยบุญคนของพ่อของแม่นี้สำคัญมากๆากบาปอามากๆผู้ใดไม่เชื่อพ่อแม่ผู้ใดทำให้พ่อแม่ตกยากลาบากเมื่อนคนนีแต่ให้นี่คนดี คนดีจะเริ่มต้นทีเกี่ยวกับบุญคนของพ่อของแม่นะัในสมัยโบราณนู่นสมัยพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดในป่าหิมพานต์พระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดเป็นช้างชื่อธนปาละกะช้างนี่เป็นช้างตัวใหญ่มากเป็นช้างเผือกงาดำๆเล็บดำๆมองคนะหัสถี ซึ่งมีพ่อแต่ก่อนนั้นเป็นพญาช้างพอลูกเกิดมาอยู่ในป่าหิมพผานพ่อแก่ตายไปช้างทั้งของทั้งฝูงเนี่ยก็เจ้าความเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นพญาช้างให้พระพุทธเจ้าของเราพระโพธิสัตว์ท่านก็เป็นหัวหน้าช้างเป็นช้างเผือกแต่ท่านมีแม่แม่ของท่านเป็นนางช้างตาบอดตาบอดช้างโพธิสัตว์นี่ รู้จักบนคนแม่มากเพราะเกิดมาพ่อตายแล้วอยู่แต่กับแม่วันวันไปหากินไปหากินก็ไปหากับบริวารช้างไปหักไม้ช้างน้ำหักยอดไม้อ่อนๆมากินช้างเล็กๆช้างน้อยๆช้างสะเทิมช้างตัวขนาดต่างก็วิ่งมามาขอกินเพราะเป็นหัวหน้านีนต้องหนักหน่วงแค่ก็คิดมากอาหารบางครั้งอาหารอยู่ดี เราเก็บไว้ให้แม่กินช้างอื่นก็มากินหมดเพราะตอนเย็นๆนี้ช้างดะนับปลารกะจะหักเอาพวกไม้ไผ่ไม้ทางนา้าไม้ที่ทางชอบไม้อ้อยทางแล้วก็จะอ้วมมาด้วยงวงเอาไปให้แม่กินจะทำที่ให้แม่โยดตีเยียนถอนต้นไม้ถอ น, อ, น, อ, นอะไรออกอมน้ำมาจเจ๊ออกมาพ่นแล้วก็ทำให้มันลาบเอาตีนเกียร์ แม่อยู่ตรงนี้แม่นะจะไปไหนมาไหนลูกจะหาอาหารมาให้กินแม่ขณะเดียวกันเมื่อท่านาประกาหาอาหารดีๆมากองไว้ให้แม่บางวันก็หิวบางวันก็อดตนเองกินนิดห่อยอิ่มขอให้แม่ได้อิ่มแต่เมื่อเอามากองไว้ช้างอื่นมาลักกินขอขยะช้างพาบริวารออกนอกหาอยู่หา ก, กินช้างขโมยมาลักกิน พาเทวทัตเนี่ยเป็นชามมยย้างาก่มวยกังพระลักษณ์กินที่นี่ช้างเทนประกาศเนี่ยคิดมานานเห็นแม่บางครั้งน้าตาไหลเพราะเอาอาหารมาไว้ให้ไปไหนหมดแม่กินหรือยังแม่บอกไม่มีแม่หาไม่พบไม่ได้ยินเสียงช้างออ่ดมาที่นี่เ ป, ปรี้ยวช้างเทนประกาศก็สังเกตเห็นว่าไม่ปลอดภัยเราอยากจะอยู่ ก, กับแม่เราสองคนสองตัว คงจะมีความสงแต่เดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์ไปหาอาหารดีๆจะไปลงกินน้ำกินน้ำใสๆก็ถูกช้างน้อ ย, อยเบียดเสียดลงไปกินซะก่อนไปเร็ดเราจะกินต้นไม้ยอดไม้ที่ อ, ร, อร่อยๆเราหักออกามาจะกินเองช้างน้อยช้างบริวารก็มาเบียดมาแย่งจะต้องให้เขากินปอนเขาเป็นหัวหน้าถ้าหน้าประกะคิดมากสงสารแม่แม่ก็พร้อมลงพอมลง เวลากลับคืนไปกลางคืนแม่ก็เล่าให้ฟังว่าแม่กินไม่อิม่มน้ำที่ลูกเอามาไว้ก็มีทางอื่น ม, มากินคือขุดเป็นแห่งไว้เอาตีนขุดแล้วก็ไปดูดน้ำมาค้นมาใส่ไว้ใส่ไฟให้แม่กินท่าน่าประหากา็าเลยนึกได้เหรอแม่ในคืนนี้ลูกจะพาแม่หนีหนีจากบริเวณที่เขาอยู่กันมากๆเราไปอยู่กันสองแม่ลูก จนในป่าไก่กว่านี้จากป่าหิมะผ่านไม่จะต้องอดทนเหนื่อยหนยนะเราจะไม่นอนกันในคืนนี้ถ้าเราไปกลางวันเขาจะรู้จักในคืนนั้นเมื่อช้างอื่นนอนหลับหมดช้างคณะปลากระก้าก็องวงเนะียจูงจูงแม่มันเดินไปทั้งคืนขึ้นเขาลงห้วยจากหงบเขาโศ ป, ป่าพงดงดอนลูกแล้วลูกเรา แม่ก็ถามลูกเอ้ยจะพาแม่ไปไหนยังไม่ไกลนักหรอกแม่อดทนหน่อยลูกได้ไปดูมาแล้วเพื่อเขาจันโทรนณะฟากี้มาวันไปทางนู้นมีพืช อ, อุดมสมบูรณ์มีน้ำใสสนิตลูกและแม่จะมีความสุขที่เขาจันโทรนะณะเราจะอยู่กันสองแม่ลูกโจงเงินใบจนฟ้าสางจนสว่างได้ยินเสียงไก่ป่าขันได้ยินเสียงนกร้อง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 ก็ไปหาอาหารมาให้แม่มันกินเอายอดไม้ใบไม้ที่อร ե ศอร่อยลงไปที่สระน้ําไปดูดเอาน้ํามาให้แม่เอามาพ่นเข้าปากแม่แล้วเช่นนั้นมาอาบน้ําให้แม่มันมันไปถอนเอาเง่าบัวหัวบัวมาเลี้ยงแม่มันมันนอนอยู่นั้นจนแม่มันหายเหนื่อยอิ่มแล้วพาแม่เดินห่างต่อไปใช้เวลาโยก สามวันจึงไปถึงเทือกเขาจันทร r n a เมื่อไปถึงเทือกเขาที่สูงและมีที่ราบมันไปถอนต้นไม้ออกอย่างดีหลังจากนั้นมันก็ต้นไม้นี่ไปกองกองกันไว้รอบๆให้แม่มารู้ว่าบริเวณนี้เป็นที่ไปที่มาของแม่มันหลังจากนั้นมันก็ไปดูดเอาน้ํามาพ่นลงใส่ในดินให้ดินมันนิ่มๆเหลือมันก็ขุดเอาตีนมันขุดมันเคลียร์มันยัน มันนั่งมันนั่งลองอดตีมกันยันให้ดินมเนี่ยเป็นหนองหนองหลังจากนั้นมันก็ไปดูน้ำมาใส่มาใส่แล้วก็ไปโจงแม่มาดูใกล้ตรงนี้เขอน้าแม่จะอยู่ที่นี่ข้างๆหนองน้าจะมีอาหารไปหามาให้แม่มันกินเป็นประจำไม่เคยขาดแคลนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแม่กับลกูกบนยอดเขาจันทรนา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 มันก็เดินไปโดก็เลยไปเห็นไปเห็นคนคนหนึ่งขึ้นต้นไม้ร้องไห้ก็เลยเห็นเป็นพานป่าเขาหลงทางเลยพานคนนี้มาจากนู่นจากในเมืองจากในเมืองพ า, าราณสีมหาลา่าสัตว์ยิงนกตกป่ายิงแก่งยิงกวางยิงหมูป่าไปตามเรื่องเสร็จ แ, แล้วแต่หลงทางลองไปเรื่อยกลับบ้านไม่ถูกจนมาเข้าป่าลึก เสบียงอาหารที่เอามาก็หมดนายผานคนนี้คิดถึงโลกถึงเมียคิดว่าเราจะตายเป็นแน่แท้ร้องให้อ้อนบอนเทวดาฟ้าดินขอให้มาช่วยพอดีช้างนาาธนบุรุษได้ยินก็ไปดูก็เลยเห็นสมัยนั้นช้างพู่กันได้ว่าท่านร้องให้ทำไมสหายบอกเราหลงทางสหายเราไม่รู้จกทางจะกลับบ้านที่นครพาลาณสีท่านช่วยเราหน่อยได้ไหม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 ข้าพเจ้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านท่านไปส่งข้าพเจ้าเถิดช้างธนปารากานีบอกหมอบลงให้ในายผ่า น, นิิคีคอเกโรีบเดินไปทางเบื้องทิศบุรพาทางตะวันออกมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วสูงของช้างเดินดมดมไปก็ไปถึงทางทางใหญ่เพราะว่าตรงนี้แหละคือเส้นทางจะไปเมืองพารณสีท่าน จงเดินตามทางนี้ในเวลาค<ม>่ำนี้ท่านจะไปถึงนู่นประมาณเที่ยงเคยในขณะเดียวกันนั้นในขณะที่นายผ่านขึ้นขีวขอชา้างนะสัญชาติยานของคนชั่วที่ไม่รู้จักบุญคนก็ปรากฏขึ้นว่านั่งอยู่บนขอก็ดูแม้ช้างตัวนี้ช่างสมบูรณ์ด้วยมงคลทหัดถีจริงหนอเป็นช้างที่ประเสริฐที่เราไม่เคยเห็นร่างกายใหญ่โตคำยำลาสัน ผิวขาวเผือกผ่องงาสีดําเล็บสีดําช้างเช่นนี้หายากในปฐพีถ้าได้ไปอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินองคใดคงจะต้องเป็นช้างคู่มงขอน ค, คู่บุญบารมีอย่าเลยเก้ากลับไปนี้เราจะบอกพระราชาเขาคิดในใจของเขาพยายามมองเขาลูกน้นลูกนี้มองต้นไม้เพื่อจะจดจําเขาขี่ไปนั้นไปถึงต้นไม้บางแห่ง กิ่งม้ก็จะหักกิ่งไม้เอาไว้เพื่อจะสังเกตทางมาช้างธนประกะผู้น่าสงสารหารู้ไม่ว่ามัจจุราชนั่งอยู่ในคอของเขาในที่สุดไปถึงแล้วก็ไปหมอบหลงบอกเพื่อนสหายนี้คือหนทางไปเมืองพารานสีท่านจงไปเถอะประมาณที่ยงคืนท่านก็จะถึงแล้วนายพามก็ขอบคุณกล่าวขอบคุณไม่ลืมที่ช้างธนประกะ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 ด้วยความเร็วไปถึงมืดแล้วเอาอาหารไปให้แม่แม่ได้ยินเสียงเดินของลูกก็ดีใจลูกขึ้นลอน้อแผดบเสียงลูกของแม่มาแล้ววันนี้ผิดปกติมากแม่รอคอยเจ้าตั้งนานมาแล้วจนเสียงไก่ป่านกดูววาร้องสิ้นเสียงไปแล้วมัคงจะเป็นเวลามืดแล้วแต่แม่ไม่เห็นทั้งกลางวันกลางคืนลูกไปไหนวันนี้จึงมาขํามมืดผิดปกติหรือว่า ลูกได้ไปพบนางช้างพังตัวประเสริฐในป่าหลงสเสน่ห์มนตาของนางช้างในป่ากว้างลูกก็มาเอามือลูกแม่มันป้อมหมอบแสดงอาการปรายคิดถึงแม่เหลือเกินแต่ว่าวันนี้ลูกสงสารคนหล ง, ง่างลูกไปส่งเขาเขาจะไปเมืองพ า, าราณสีแม่เอามือลูกหัวลูกวัาลูกเอ้ยความสงสารของลูกนั้นต้องมีขอเขตนะ บางทีคนเขาดีก็มีคนชั่วก็มีเขาอาจจะทำร้ายวันนี้เขาไม่ทำเขาอาจจะไปบอกพระราชาก็ได้ลูกได้ยินเสียงแม่ตักเตือนนี่มีความคิดหัวใจหักเหมือนกับเรื่องเหมือนจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาในวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่นายพานเดินตมทางนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่คิดอย่างเดียวว่าบัดนี้เรามีโชคมีวาตนาเราจะไปบอกพระราชา พระราชาจะต้องให้ทรัพย์สมบัติแก่เราเพราะเหตุแห่งเราได้พบช้างเผือกมงคลนายพานไม่กลับไปถึงบ้านที่อืนเคินลูกมีรอคอยมาหลายวันที่แกหลงทางเขดีอกดีใจหาข้าวหาปา่ามาให้ผัวกินแล้วก็ถามเขาเขาพี่ไปยังไงมายังไงถึงได้ไกลห่างถึงขนาดนั้นไปจนหลงทางนายพานไม่บอกว่า ถึงแม้ฉันจะหลงทางฉันก็มีอะไรดีๆที่เธอจะได้รับประโยชน์เธอจะเอ็ดอื่องไปฉันหลงทางนั้นฉันได้พบช้างปเสริฐตัวหนึง่งตัวเผือกผ่องขา ว, ขาวเล็บดำงาดำมันได้มาส่งฉันจนถึงทางที่ฉันหลงฉันจะไปบอกไปทูลพระราชาพระราชาก็จะให้รางวัลแต่นี้ต่อไปเราจะไม่อดไม่อยากแล้ว ทั้งสองผัวเมียคุยกันจนสว่างไม่เรื่องราวอันนั้นแล้วว่ารุ่งขึ้นแต่ก็นอนหลับกินข้าวกินปลาเติมมาใหม่ตอนบ่ายไปเฝ้าพระราชาบอกนายประตูนายทวารว่าต้องการจะเข้าพบพระราชาข้าพเจ้ามีข่าวดีที่จะแจ้งแกพระราชาในที่สุดก็ไปพบพระราชาไปเล่าเรื่องให้พระเจ้าแผ่นดินฟังพระเจ้าแผ่นดินดีใจมากบัดนี้ เธอจำได้แน่นอนนะว่าช้างตัวนั้นอยู่ที่นันได้ฉันให้ระวังเธอหนึ่งมืนกหาปณะนะแต่ถ้าเธอไม่ถ้าฉันไปกับเธอไม่พบระวังเธอจะคอขาดนายพานได้เงินหมื่นกหาปณะนะนี่รวยมากสมัยก่อนนู้นแล้ววันใหม่ก็มาถึงพระเจ้าแผ่นดินให้นายหัดถาจานคนของช้างและช้างเป็นฝูงออกไป ให้นายพานนี่นำทางว่ามันอยู่ตรงไหนพระราชาต้องการช้างชนิดนี้ช้างเผือกเมือนทุกวันนี้พระเจ้าแผ่นดินของเราก็มีหลายตัวช้างเผือกนั่นจะต้องเกิดมาคู่บาลามีกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วนายพานคนนี้ก็นั่งเป็นหัวหน้าผาไปแล้ก็สังเกตมียอดไม้เราหักไว้วันนั้นมองเขาลูกนี้ข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะถึงเขาอีกลูกหนึ่งข้ามแม่น้ําสายหนึ่ง ซึ่งก็งไม่โตไม่ใหญ่นักไม่กว้างนักอยู่ในป่าทึบพอพ้นนั้นไปก็จะถึงสรโบกัลย์มีมีบัวบานสะพังนกร้องและงองมและมีภูเขาสูงเขียวชอุ่มตรงนั้นคือเครือเขาจันทร์ธนะที่เราหลงทาง ม, มาพอดีพากันไปช้างธนาฟ ร, รกะกำลังลงอาบน้ำกำลังถอนเง่าบัวจะเอาไปให้แม่กิน ได้ยินเสียงเกิดกล้องของช้างทั้งหลายดังสนั่นมาเสียงเลยแกตกใจยืนแหงน้้ำใสๆที่มีป่าบัวท่านเห็นหรือไม่เหมือนดอกบัวนั้นอยู่ในสะนั้นเหมือนดอกบัวใหญ่ตรงเขาขาวอยู่กลางสะนั้นท่านเห็นไหมนั่นแหละช้างเผือกตัวนั้นแหละกำลังลงอาบน้ำกำลังลงถอนองาบัวอย่าเลยพวกเราไตวงออกเขาก็แยกช้างตีวงออกภูเขา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 คำโทษแก่เราและลึกถึงคำของแม่พูดหัวใจครัเหตุการณ์อันนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วแล้วมองไปก็เห็นหนายผ่านคนนั้นนั่งอยู่บนคอช้างศารตัวหนึ่ง น, นำเพื่อนมานึกได้ทันทีว่าคำพูดของแม่เราเมจะตาบอดท่านก็พูดอะไรไม่ผิดเลยมีคาพูดของพ่อของแม่เนี่ยท่านเห็นการใจท่านเกิดมานานพวกเราทั้งหลายจะต้องเชื่อ ในที่สุดท่านนาปราาัชาเนี่ยไม่มีทางเลยพระเจ้าแผ่นดินมาด้วยนายผ่านมาด้วยพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าท่นนาาักรัชญาท่านผู้สหายจะได้คิดหนีจากเราเลยท่านไม่สมควรจะอยู่ในป่าควรจะไปอยู่ภายใต้สเวยฉัดพระราชาผู้ของแคว้นจกักรพรรดิจึงจะเหมาะสมกว่าถ้าท่านคิดจะหนีท่านกคนนี้ไม่รอบช้างอื่นตีออกมา ทณาปาารากวิ่งแต่ไปไม่รอดเพราะช้างจานวนมากไปวงโอบลับจับปีจนเนื้อตัวน่วมไปหมดไลในที่สุดก็ต้องถูกคล้องจนได้ไปไม่รอดเพราะช้างบ้านมันมีมากเป็นร้อยๆเครือในที่สุดดิ้นลนกระวนกระวายไม่ไหวถูกลากออกไปจากบา่าทณานาารากได้พูดกับนายผานว่าท่านผู้สหายสิ่งที่เราบูชาท่านด้วยคน แต่ท่านตอบแทนเราด้วยโทษทำไมท่านจึงทำอย่างนี้หลังจากนั้นมายพานนั้นไม่พูดอะไรเพราะตนเองได้เงินแล้วพระราชาก็พอใจไปถึงนู้นสร้างโลงทองคำขึ้นพากันฉลองช้างมงคลหัตถีเจ็ดวันเจ็ดคืนอย่างสนุกสนานแต่ช้างคณะปรกัไม่กินยาไม่กินน้ำ เอาน้ำมาให้กินไม่กินเอาหญ้ามาให้กินไม่กินคิดถึงแม่เมื่อกว่าคิดถึงตนเองป่านนี้แม่ของเราคงจะรีบร้องหาลูกป่านนี้หัวบัวที่หาไว้ผลไม้ที่หาไว้ใบไม้ที่เราหามาไว้มันคงจะหมดไปแม่คงจะคิดถึงลูกคงจะไม่กินข้าไม่กินอาหารน้ำที่หามาไว้ให้ก็คงจะแห้งผาก บัดนี้แม่คงจะส่มสานด้วยดวงตาที่มืดเสนิทสองข้างคงจะงมไปตามภูเขาคงจะเรียกร้องหาลูกบัด น, นี้ไม่อาจจะตกเหวตายแล้วก็ไม่รู้เพราะแม่ไม่เห็นอะไรเลยยิ่งคิดยี่งช่อช้าและกำขมเขินธนะประหลาดกลืนอาหารไม่ลงเขียวเขียวแล้วก็คายออกไม่กินกินได้เพียงน้ำเมื่อคิดถึงแต่แม่ ในที่สุดพระราชาก็มาปลอบโยนท่านประกาศ้สหายท่านอยโศกเศร้าลำพึงลำพันอะไรถึงปากกว้างปาดิบดงดาเลยท่านอยู่ในโรงทองคำที่เราสร้างไว้ให้อาหารอันแสนดีเราจะจัดมาให้ท่านกับเราจะได้เคียงคู่ยาตากันไปสู่สามันตราชต่างนครพร้อมพายุหะแสนยากร อ, อันยิ่งใหญ่ท่านจะเป็นพญาช้างคู่บรารมีและสเสวชัดของเรา จงกินหญ้าอันอ่อนนุ่มขี้ยู่จะอมนี้เถิดเราจะให้คนหามาธน้าปลากระเอาแต่ร้องให้ไม่กินน้ำตามมันไหลาจากจากตามันลงโซงวงจากงวงลงมาโู่ปลายจะงวงปลายงวงมันไหลนี่คิดถึงแม่มันมันบอกจะไม่กินข้าพเจ้าตายเสียดีกว่าที่จะอยู่ในโลกโดยป่าจะจากแม่ของข้าพเจ้าป่านี้แม่ของเราแต่ยังอยู่ หรือว่าจะตกเหวตายก็ไม่ทราบด้วยความคิดถึงโลกในที่สุดช้างธนปุรากะได้พูดกับพระราชาว่าเราจะไม่กินอาหารเราจะกินได้อย่างไรในเมื่อเม่อของเราอยู่ในปากว้างคนเดียวตาบอดสนิททั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นอะไรข้าพเจ้ามีความคืนขมรละทมทุกแม้จะให้ข้าพเจ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นใดๆข้าพเจ้าไม่ปรารถนา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 ท่านช่างเป็นคนกระตันยูเป็นสัตว์รูกระตร ะ, ตะตเวทีแท้แท้ซึ่งเผ็ดกับคนที่มีจิตใจมีภาษาพูดได้ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ก็ปล่อยช้างธนาปรากะไปธนาปรากะดีใจเหมือนพ้นจากขุเพลแห่นนงนรกในขณะเดียวกันนายพานคู่ไม่รู้จักบุญคุนนั้นเมื่อได้เงินเป็นหมื่นหาปะหนะกลับไปแล้วช้างธนาปรากระ ทุกข์ใจมากทรมานใจในอยู่ในโลช้างท่ามกลางปอกที่จุดไปในขาก็อธิษฐานใจขึ้นมาว่าชะไหนน้อแผ่นดินมหาปตผีอันมีชื่อว่าทรณีเป็นผู้สรงไว้ซึ่งแก้วอันประเสริฐ ม, มีคุณค่าทําไมจึงให้คนชั่วยอย่างนี้เหยียบย่างบนแผ่นดินเราทําบุญทําคุณกลับตอบแทนด้วยโทษแผ่นดินที่ส่งไว้ซึ่งแก้ว ทำไมจึงรับคนชั่วอย่างนี้ไว้แผ่นดินไม่สามารถจะรับคนชั่วไว้ในแผ่นดินมากนะแผ่นดินได้แยกแผ่นดินโศบทอร์นีสูบนายผ่านคนนั้นลงไปในแผ่นดินตกลงโศบห่วงเฮลเห็นมารกเหมือนพระเทวะทะัตเพาะตำบาปที่ได้เบียดเบียนผู้มีบุญมีคนสัตว์ผู้ประเสริฐเช่นนั้นพราะพระเจ้ากล่าวว่าผู้ใดธนุบำลุงเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยความซื่อสัตย์ เทวดาย่อมรักษาเขามนุษย์ทั้งหลายก็อย่อมรักเขาพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นใจก็ปล่อยเขาไปเทวดาทนทุกทรมานเมื่อความสงสารต่อธนภราระไม่ได้บันดาลให้แผ่นดินแยกให้แน่ยพานนันจบลงไปในแผ่นดินหั้งจากนั้นต่ก็กลับไปกลับไปหาแม่ไปถึงแม่นั้นกาลังสมสารหาลูกคานไปในปา ง, งมไป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 ท่น่าปลากระป๋ามาถึงร้องหาแม่จนสุดเสียงเห็นแต่รอยเห็นพวกลับัวเง้งบัวเห็นใบไม้ที่หามาไว้ไม่เห็นรอยแม่กลิ่นเข้าไปก็คิดว่าแม่เป็นอันตรายเลยรีบตามหาตามรอยไปแม่มันกําลังสลบหายเจระรวยอยู่ข้างเหวอ่ะมึงไปเห็นแม่สลบรีบลงไปที่แอ่งน้ําไปดูดเอาน้ํา เอาน้ำมาพ่นให้แม่มันนางช้างตื่นตัวขึ้นมาพูดขึ้นมาว่าฝนหลงฤดูข้าพเจ้าไม่ปาถนาท่านตกลงมาทำไมฝนอับปีเราปาถนานแต่ลูกของเราเท่า น, นั้นทำไมท่านจึงไม่ไปตกในแว่นแควนที่เขาปาถนาฝนเราไม่ปาถนานเลยเราปาถนานลูกของเราเท่า น, นั้นที่แท้คือน้ำฝนที่ลูกพ่นออกมาลูกก็ไปหาแม่ บอกแม่ลูกมาแล้วไม่มีวันที่เราทั้งสองจะพัดผาาจากกันแม่มันดีใจมากเลยดีใจมากจนช็อกเมื่อเห็นลูกมาตายอยู่ขาอ้อมกอดในงวงของลูกมันลูกก็ล่าแม่ไปเราง่อมร้องไห้เอาไปสู่เหวเอาแม่ลงในเหวแล้วก็หักไม้หักไรทับลงไปหลังจากนั้นแกก็ภาวนาปาถนาเผื่อว่าจะเกิดไฟป่า กล่ามมาแล้วจะได้ไม่สร้างศพของแม่แม่ตายแล้ววันคืนของมันผ่านไปทุกๆุกวันมันจะมาที่เหวที่เสียงแม่ของมันมาละลึกถึงแม่ของมันอยู่เป็นประจำเมื่อวันคืนผ่านไปจนถึงสมัยปัจจุบันในประเทศอินเดียตอนเหนือเขายังทำสโตร ท, ทาเป็นลูกช้างทำเป็นเจดีลูกช้างเขาเรียกว่าทนปารักะเจดี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 และเครื่องหมายของคนชั่วคนชั่วอย่างคนที่จังหวัดตังไม่รู้จักบุญคุณแ ม, ไม่ไม่เมตตาบอดไม่เลียกแม่สุดท้ายตนเองก็เป็นคนตาบอดทั้งๆที่ยังไม่แก่เท่าส่วนเครื่องหมายของคนดีอย่างคณะปรารกะาก็ยังเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าแม้จะตกระกรรมลำบากบุญที่ได้สร้างกุณนามความดีนั้นก็ทำให้หลุดพน้นภราชาได้ปล่อยมา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 จะได้มาเจริญสมาธิภาวนาหลวงอาขอยุติธรรมกถาเครื่องหมายของคนดีฝากลูกหลานทั้งหลายเถียงเท่านี้สุดท้ายเธอทั้งหลายพึงปนมมือขึ้นพร้อมกันแล้วว่าตามหลวงอาข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่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 เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจุบังเกิดมีแก่ลกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดเอาผู้เป็นหัวหน้าของมนุษย์เป็นผู้ไปตรงเป็นผู้อยู่ในสิ้นในธรรมบริวารของมนุษย์ก็จะไปตรงสัพพังรัถังสุขังเสตษฐิแหวนแขวนทั้งหลายกระสบความสุขเพราะความเป็นผู้อยู่ในธรรม